ดอกกุหลบาบแทนความรู้สึกลึกๆที่เธอไม่รู้อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไร ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มอยู่ทั้งวันนั่งนึกนั่งฝันว่ามันจะเป็นเช่นไรคิดคิดคิดคิดคิดมันเข้าไปว่าฉันจะเอาอะไรให้เธออยากให้คงควญสักชิ้นหนึ่งมันคงไม่เลือกไม่เสงสักเท่าไหร่ ก็ให้กันท้งนั้นแต่คิดคิดคิดคิดคิดอีกเหมือนกันถ้ามันไม่ดีคงไม่มีใครทำอยากให้คงควันสักชิ้นหนึ่งมันคงไม่ลึกไม่สั้งสักเท่าไรคงเป็น I love